ทุกกระซูได้สูได้ไม่ได้นึกถึ ง, หงผหมพ่าโหมพ่าด้วยว่ามันจะมัยากเอาก้อเสดงมันยากหผหมพ่าจะแล้วเนี่ยดูสิมันมีอย่างเงี้ยการขบการทันการในทุกอย่างก็ต้องมีฝึกเรียกว่าเราเมาฝึกยื่สายของคารวัตนั้นยังมนฝึกกายในฝึกใจ <S <S เรื่องอะไรที่ยังในฝึกดูจัดต่างต่างก็ไอ้ไอ้ไอ้มาก ก็ดีโคพอดีมันเอามาเตียงเตียนเข้ามันยังไม่ฝึกมันแค่จะพาเตียงวิ่งควายก็เหมือนการเอามาเตียงถ่ายไปมันฝึกต้องชื่อว่าฝึกเนี่ยมันมันเรื่องของพระมันอย่างหนึ่งเรื่องของโยมมันอย่างหนึ่งถ้าโยมมองเห็นอย่างง่ายง่ายไม่ว่ามันง่ายไม่เป็นของยาก แต่ผมก็เคยบอกทุกๆคนมันมาอยู่กับผมมันยากนะมันที่ยากอะไรรู้มันจะไม่เห็นยากเลยมันมีจริงๆที่มันยากผมได้ยังไม่รู้จักมันมันยังไม่โผล่ขึ้นมาท่ามันโผลขึ้นมาแต่มันมันรู้กันเือนะมันน้ำวากแล้วยังงั้นที่มาอยู่วัดน้องประโคมธรรมดาแล้วพอมาบทสามัญชนแล้เน่ะผมให้อยู่นานๆอยู่ตั้งสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเป็นแหลมต เนี่ยผมให้กรณีพิเศษพวกลาบวดสามเดือนนี้พยายามเอาก็เห็นอยู่ว่ามันจะในข้องตัว ง, ง่ายๆก็ต้องเอาไว้เราเป็นภูมิมีิภัมันมีเวลาบวดน้อยก็ต้องเอาไว้เนต้ตาอย่างนี้เจ้าพอโงมันยุ่งนะมันยากลำบากลำบากพ่อโกจะเอาอก็เห็นว่ามันในสยันสยญาสัทําลบากเท่าไหร่ อย่างนี้เป็มวิสัยของเราเรามาเปียกเลียบที่ที่ชียิตเรยอยู่เนี่ยมันต่อมันง่ายพระเรื่องของพระมีเรื่องภายนอกมันจะยากขนาดนี้เรื่องการงานของพระนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักงานภายในของพระงานของโยมมันไม่ยากหลอกแบกกระสอบข้าวกระสอบนี้ไปทิ้นขี่นนทนจะกระสบมาแบกไปอี ขอนในขนก้อนยินก้อนนี้ไปวางในโน้นไม่วก็กับมาอีกอย่างนี้มันมีมยากอะไรน ะ, นะก็เพราะมันเห็นในตาเราในง่ายแต่ว่าเราจะมาทําจิตของเราใหม่คิดมากมาให้จุงใจมาให้มีความอยากนี่โยงทั้งหลายน่นไม่เคยสืบเคยแต่ว่าอยากจะให้มันอยากได้หลายอยากได้มากมากอยากเอาชนะคนอืน่นพระนั้น ให้เหนีมัดน้อยสันโดษจะให้เอาชนะตัวเองไม่ชนะคนอื่นนี่มันลาบากตรงนี้ใครใครมันจะยอมแพ้คนอื่นจะต้องเอาชนะทางนั้นโลกคนเนี่ยต้องเอาชนะขาไม่เอาชนะเร า, เราพระพุทธเจ้ากลับสอนกลับตัวจะให้เอาชนะตัวเองดีกว่าอย่าเอาชนะคนอื่นเลย เอาชนะคนอื่นมันจะเรื่อนเป็นเ ร, นรามันเะเาะกันฆ่ากันแย่งกันมันเป็นทีด่ดุดใหญ่ถ้าเอาชนะคนอื่นอยู่ตัวเราไม่ก็ไมชนะใครใครอะไรไม่งก็ไม่ชนะถ้าเราเอาชนะตัวเราแล้วคนอื่นม่งก็ชนะคนทั้งโลกนี่มันก็ชนะอะไรม่ก็ชนะไปทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นถด้วยแต่ เ, เอาชนะตัวเองเนี่ยมันนำบากต้องกาไม่ไม่พยายามจะเอาชนะตัวเองด้วยคน เพราะว่ามันเป็นตัวเป็นคนเต็มถึงร้อยเปอร์เส็นต์เลมันไม่ยอมใครอ่ะเกิดชุติเกิดมานะจะยอมคนง่ายไม่ยอมจะเอาชนะคนอืน่นด้วยไปเรื่องใจเาชนะตัวเรานี่ยไม่มีใครมีประโยชน์พยายามมีอนอกจากพระที่สอนตอนนั้นนี่มันจะเรื่องอย่างนี้มันกลับกันใชมันกลับไตลปัตตกันที่นี้พระเดินทางหนึ่งก็ะระดที่ว่า ว่าปฏิบัติมานีไม่ให้เอาตามใจของเรามันก็หมดท้าจะได้เราต้องเอาตามธรรมะตัปธธรรมคือความจริงตับใจของเราเนี่ยดูสิมันไม่ไปเรือยอกันมันไม่เห็นง่ายๆมันจึงต้ฝึกฝึกจิตของเราเข้าไปหาธรรมะน้อมจิตเราเข้าไปหาธรรมะไม่ใช่น้อมธรรมะธรรมะหาจิตของเราอื ถ้าน้องธา ร, รมสมาฮะจิตของดราจิตของเราจะเป็นไอวุ่นโผท่านั้นแหละไม่ต้องจึตษาแล้วเนี่ยคนมันเห็นยืนตัวอย่างนี้มันไม่ยอมมันเต็มจิตชาจิตขีมันต้องทุกข์มันไม่ได้ตามปรารถนาของเราเริ่มตั้งแต่ชันข้าวในบาตรนีะมันยุ่งซะเล่นข้าวก็ใสถึงไปหวานาวก็ใสถึงไปแหม่มันยุ่งเรื่อนมาขัดใจเราเรื่อย มันขัดใจทุกคนมันต้องขัดใจผมยังจำพระพุทธเจ้าเลยปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ก็โง่นะบาตรใหญ่จะข่านเป็นตาตารางตาตารางมันก็ดีแงงเสตรงนี้นะพิษเสรตรงนั้นอันนั้นเสตรงนี้เนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าโง่แะแล้วเนี่ยมันปุมมันแต่งมันนับบาะมันไปปะผลกันหมดมันยุ่งม่ก สังขารมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเร่อยหาว่าพู้ชาเจ้าโง่แะแล้วไม่ฉลาดเอาหนําพึิกไปตรงนี้เอาหวานไปตรงนี้เอาค้าวไปตรงนี้แกงเผ็ดไปตรงนี้แกงจีนไปตรงนี้เออมันเพื่จะถูกใจเราเนะอะอันนี้อภิรมณอันเดียวกันหมดมันก็หมดท่าแต่ไมนจะไม่ถูกใจเราเนี่จะทุกข์แล้วเนี่ยเท่านี้มันก็ทุกข์แล้วกลัวเราจะทำไอ้ข้าวในบาตรให้มันงงลอยจนจะไม่มีอะไรแล้ว กินอะไทอดอะไรง่ายเลยอ่ะสาปพลอะไรไปขั้งมันเดนเอามาเนี่ทอดซึ่งมันเป็นทอดอะไรเนี่ยสบายเลยอ่ะอย่างนี้นะซ่องตำหนีพระพุทธเจ้านี่แหละใจของเรามาเป็นอย่างนี้ความจริงจริงพระพุทธอย่างทั้นทำผูกแต่เราเข้าใจว่าท่านทําผิดเข้าใจว่าเราทำผูกอย่างนี้ยังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไง่ายงมันยากเหมือนกันนะท่านเราต้องมากๆท่านเห็นมากน้อย ม course, actually, I mean, like road, ันไปคนละทางแต่ละอย่างนี้อืมันไปก็อย่างนี้แสดมันจึงฝึกฝึกฝึกมันจึงทุกข์เมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมากเข้าใจว่าเรามันทุกข์ความจริงๆพระพุทธเจ้าถนอมเราไม่ทุกข์จิตเดือดมันทุกข์มันเดือดร้อนเราก็เข้าใจว่าไม่มีจิตเดีอดเข้าใจว่าเรามันทุกข์ไม่ต้องให้โทษจิตเดือดสักนิดหนึ่งให้โทษเราว่าเราทุกข์ไม่ให้โทษจิตเดือดสักนิดหนึ่ง เรืร่องพุทธจาเนเมื่อทำรบริจีเบิดมันเดืร้อนผูกแล้วชนะถูกแล้วถ้ามันเดือดร้อนน่ะถู ก, กแล้วผูกจีเบิดแล้วถูกตัวมันแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เดืดร้อนมันจะบายได้ตามศาถนาของมันอย่างไอบาดมาขั้นเกินตาตะวันอยู่แงเสียดไปตรงนี้แงเ่เสียดไปตรงนี้แงอะไรอะไรจะตรงนั้นน้ำพิศไปตรงนี้มันก็สบายใจมันนะเนี่ยนี่ก็ดีว่าเราไม่รีเรื่องของท่าน <S <S แต่เรคิดอีกอย่างหนึ่งนะ้าเราขั้นขั้นเป็นตาอะไรงไงเมื่อเราล้างบาทจะทำไงเ <c oughs> มื่อเราจะเช็ดบาทมันยังไงมันจะสะอาดได้ไหมนี่มันเปืี่นมุมท่านแล้วทำมาทำอย่างนี้นี่ฉะนั้นปฏิบัติใหมานี่น <c oughs> ใไอเราตคอคมสอนของพรามันต้องแย่งให้ไปตลอดตาเลยแย่งด้วย ท่านเอาอยัางนั้นเราเอาอย่างแก้จะพยายามแก้กฎหมายด้วยไปนะเราเนาะพยายามแก้แก้คาสอนของท่านด้วยไปลักษณะจริตท่านจริง น, น, น, นั่นแหละให้เห็นวานั่นแหละผู้สร้างบารมีของเรานั่นแหคือครูถอนให้เราฉลาดแต่เราไม่เห็นอย่างนั้นเห็นว่ามันเป็นปฏิปักษเราทั้งนั้นแหละไม่ได้เข้าข้างพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าข้างมันทั้งนั้นแหละ แต่ตามใจมันมันถึงจะดวกนะไม่มันไมยอมแช่กจะขอมันถกเสียงกันไปเรื่อยๆมันถกเสียงกันไปเรื่อยๆืๆเรืๆถกกันไปเรื่อยนะเออถกกันไปเรื่อยถ้ามเห็นความจริงเมื่อไรจิตไม่ยอมคือบาอาจารย์ก็สอนไปเถอะสอนไปเถอะสอนไปเราก็ย่งไปเรื่อยเดี๋ยมันไม่ลงรอยกันมันยังไม่เข้าถึงธรรมะ ใจเราไม่เข้าถึงธรรมะอยากจะน้อมธรรมะธรามาใส่ใจเราอืให้ใจเราเป็นอวิชฌณเนี่ยก็ให้พระพุทธเจ้ามากราบเราเท่านั้นแหละถ้าเราน้อมธรรมะธรามาใส่ใจของเราแล้วจน้อมใจเราเข้าไปสู่ธรมธรมะธรรมะนั่นแหลแทนตัวพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ท่านยังไหนนี่ฟานมีจระคั่นของท่านนะเออ นามาทำเน่ยมันยังเดืออยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่เมื่อเราจะแยงธรรมะของท่านจะเสียงตัวท่านเลยนะเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นเราเสียงธรรมะท่านจะเสียงก็ท่านก็จะทำเป็นพระพุทธเจ้าใครเห็นทำคนนั่นเห็นเราใครเห็นเราคนนั่นเห็นปัสสาวะสดใครเห็นปัาคะคนนั่นเห็นปณิพนัชพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหน แก่เราก็กร า, าบเสมอกราบพระพุทธรูปกราบด้วยด้วยแต่ไม่ลงรอยกับท่านถ้าท่านทํานี่ก็ไม่พอใจกับเราแต่กราบเสมอนี่มันไม่เกิดปัญหาแล้วกราบมันดื้อไปใจไม่ฟังคำแต่มันฝ่าฝืนนี่นะแหละแะนั้นนะจึงมาฝึกหัดกันนีตการคนพูดกันดับดีมาอยู่เอาอย่างนี้นะครับเอาอยัางนั้นนะครับแต่แล้วก็มันมีขโมยอยู่ในใจอเอง ไม่ทําตามตรงนี้ดันั้นจึงจะเป็นของยากแม่จิบของพระนโยมไม่รู้โอ้ไม่รู้นี่ได้รู้ยากรู้ลําบากนม่จัดยากเพราะว่าเรื่องของพระมันไม่เหมือนเรื่องของโยมทุระของพระไม่เหมือนทุระของโยมการงานของพระไม่เหมือนการงานของโยม การงานของพระนี่มันละเอียดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะต้องมีสติส ม, ม, มองสมุยัยอย่างนั้นดูจิตของเจ้าของพูดไปจิตของเจ้าของเรื่อยไปอันนี้คนที่ยังไม่รู้ตัวก่อนจะรู้ตัวก็ต้องรู้ธรรมะเมื่อยอมเมื่อไรจะรู้เมื่อนั้นครูมาอาจารย์สอนกระบนกา น, นั่นแหละบางทีสอนว่าอั น, นิจจังสคขังอนัตา ความเกิดความแกความเกิดความตายวันนี้สอนพรุ่งนี้สอนสอนได้ด้วยถ้าเดินบางองเาจะมาอาจารย์เนี่ยเพศจะอานิจังทุขังอนาตาในสุวรรณสุวันณเรียนเพศอย่างอื่นก็ไม่ได้เพศจะเกิดแก่จะตายเท่านั้นแหละอย่างอื่นก็เพศไม่ได้แต่โทษอาจารย์เพศคนเพศนั่นแหะอานิจังเนั้นได้เห็นก็ดอย่างก็เห็นเนี่ยชัดอนิจังดีอยัง ถ้าเห็นอ น, นิจจังตัวขั้งอนัตตาเนี่ยชัดก็ไม่เบี่ยงอาจารย์หนอกมันไม่เรื่ออาจาร ย, ย์มันหมดแล้วรูว้จากความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายแล้วมันต้องหมดแล้วไม่ต้องไปเบี่อาจารย์แล้วท่านเทศถูกแล้วเราความยังไม่ถึงผมก็เคยรำคาญเหมือนกันขึ้นถึงอนอาจาิจจังทัวขังอนัตตาจนเบี้เยเทศเกิดแก่เจ็บตายเบื้ย มาโดมาเทื่อจนเบื่อแล้วเข้าใจว่าท่านเทนนื่อนริยจังทุกขังนาฏตาทุกขังเปลี่ยนเทศ่อจังเห็นก็นไม่ได้ใจจะขาไดได้หรือเนี่ยเราไม่ถามถึงตั ว, วเวลาเห็นอนิยจังชัดเลือหรือยังเราเห็นทุกขังชัดแน่แน่หรือยังเราเห็น น, นาฏตาชัดแน่แน่หรือยังอืม ถ้าเราเห็นแม่ในเรื่องอันนีน้จังตกทัอ ง, องอนาตาเราต้องไม่จะเลื่องไทยแต่ปัญหามันก็หมดเท่านั้นแหละมันก็หยุดตรงแค่นั้นถ้าเราเห็นความเกิดเกิดเกิดตายอย่างจริงจังแล้วมันก็หมดแค่นั้นแหละฉะนั้นครูวาอาจารถึงย่ําตะมวยย่าตะมวยนี่ยบ้างนง่าจะไปเทียเ่ยวเพื่อกินดังนอนนีนะ่ให้กินน้อยให้อนอนน้อยให้ได้ประมาณจะย่ยู่ตรงนี้แนละ้วไม่ได้ไปที่ไหนหรอกเราก็ไม่พสบายใจ ไม่สบายใช่ไมฮะถูกบังคับนอนกวดหลังบังครับกินปวดหลังบางครับนะยินเสวนาใจเจริญกิโลสองกิโลเหนื่อยจะตายไคยังมาถูกบังคับไปกินเลยเนานมันเรื่องจิตใจของจิตมันยังจิตใจของคนมันยังเห็นมันก็จะเป็นประโยชนั้นใครทุกคนบวดใหม่ๆก็ต้องเป็นประโยชนั้นมันต้องอาศัยการอดทนอาศัยการกระทําเื่อน เรียนไปนั่นแหละฟังไปนั่นแหละมันเดือดถ้ามันเดือดจริงๆเลยะมันก็รู้มันก็หมดปัญหาแค่นั้นแต่ความเป็นจริงเนท่านมองเห็นเรายังมีอะไรอยู่ที่มันจะสั้นทางทางปณิพานมันมีอยู่แต่ตัวเราไม่เห็นเราก็กรณีว่าฉลาาดมันขลาดตัวจริงที่เรารู้จริงจินารู้มันโง่ดทุกคนน่นแหละอย่างผมเนี่ยมันโง่หลายเหมือนกัน อยู่เมืองนี่มันต่อใม่โง่เพราะมันพูดภาษาไทยภาษาลาวก็ได้ไปเมืองอังกฤษเนี่ยมันโง่ร้อยเป็นเลยเพราะมันพูดไม่ได้อะไรเลยนี่คนทุกคนให้ใส่ใจอันใดเราไม่รู้จักอันนั้นน่ะมันโง่จะไปอวดดีเลยที่คนรู้จักมันในโง่กับเพราะมันรู้จักเท่นั้นเนี่ยมันไม่ใส่เราอย่างนี้อืมันกินไปอย่างนี้้ารบวช จะได้บวชมานี่จะมาบวชมาพุทธศาสนานี่ก็เป็นของยากมันยากอะไรดูเท่าจริที่มันพาเรายากในทางโลกมีอะไรบ้างถ้าเป็นหนุม่มอยู่มันก็คาลงมีเสลงนั้นอืทุกสิ่งทุกอย่างสารพัอืดถ้ามีรูปมีเมียมาบวชไดบบ้มาเกิดลูกผิดเมียห่วงใหญยสารพัดอย่างก่อนจะได้บวชนี่มันยากแม้จะเกิดมาโตขนาดนี้เลยมาบวชนะมันก็เป็นของยาก มันยากขนาดบางทีเกิดเป็นอิสระที่สีส่าตนบวงไม่ได้มีอุปสรรคขัดข้องบางทีตายฟอนท่านบวชก็ไม่ได้เนี่ยมันยากในการบวชนี่มันยากอย่างนี้บวชแล้วจะได้ฟังครมของท่านขอยากอยูแล้วทำไมมันนิยจธรรมมันเป็นธรรมปฏิรูปมันเป็นธรรมเพียมธรรมแฟังสิงเจตธรรมที่เป็นพีิดเกิดเท่านั้นเนี่ย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 เทือธรรมะเทือยังไงเทือข้อเจือจริงเทือเนี่มันแน่นอนเห็นความจริงเห็นมาจริงๆนั่นให้ผู้อื่นเห็นธรรมะเน่ยมันยากมันก็เทือตัวอย่างอื่นไปเชื่อเทือแต่โรคกต่นองไปเทือตามโรคตามเลื่อนตามราวเข้าไปเชื่อคนฟังก็นั่งฟังเฉยๆแตไม่เอาไปปฏิบัติยากถ้าเราฟังเทือจริงๆเนี่ยมันนอนไม่ดับนอนก็ต้องสะดุ้งมันประมาทไม่ได้ อมันประมาณไปได้ถ้าไปฟังเทือดฟังธรรมจริงๆแล้วทําดีไปดีทําชั่วก็ได้ชั่วเท่านี้ถ้าเราเห็นชัดต้องไปแล้วเราทําชั่วมีนางอืถ้าเรามาเห็นแต่เราทำชั่วคน <ừ> เราเน่าทำง่ายกว่าที่ว่า ง, า, งงวางๆไม่มีใครเห็นเราก็ทําได้เมื่องว่าคนไม่เห็นเราเนี่ยจะทําอะไรก็ทําได้เมื่อไม่มีคนเห็นแต่ก็ทําได้เนื่อว่าคน ไ, ไ, ไม่ม เ, หไไมมเห็นเราเนี่ยนี่เรื่องว่าคนไม่เห็นธรรมะ ถ้าอยู่ในวัดกลัวครูบาอาจารย์เพื่อนผูงจะเห็นอะไ ร, ะไรต่อได้รูบาอาจารย์พวกนี้ในครูบาบาปเมื่อมันเคยจากครูบาอาจารย์ไปทำเลยเพราะว่าเพื่อนที่สืบตัไม่เห็นครูบาอาจารย์ตัวเห็นเขาถือว่ามั น, นมีไสยวิญญอันนี้มันโง่จะตายไปมันก็ไม่ได้เรื่องของเจ้าของทำของชั่วจะดำลงไปในน้ำไปทำอยูม่มีคนรู้คนอื่นไม่รู้เราคนทำก็รู้ เราไม่เช่คนหรือมันก็ดูถูกเกี่ยวของเรื่ยไปจะไปสร้างยวนอากาศความชั่วคนไม่เห็นก็คือเราก็เป็นคนก็ต้องเห็นการกระทำของเราเนี่ยถ้าเห็นธรรมะมันทําความชั่วไม่ได้เรามันอยู่ที่ไหนมันทําไม่ได้คนเดียวก็ทําไม่ได้อยู่ในพวกในฝุ่นก็ทําไม่ได้อยู่ในน้มก็ทําไม่ได้อยู่บนอากาศก็ทําไม่ได้เพราะเข้าใจว่าทําที่ไหนคนไม่เห็นไม่มี คนอื่นไม่เห็นเราก็จะเห็นเร า, เเรามันทําไม่ได้อืถ้ามันเห็นธรรมะได้ฟังธรรมะดูธรรมะต้องเป็นแบบนั้นผู้ฟังธรรมน่าจะได้บวชในพุทธศาสนาก็ยากการบวชมันจะเป็นของยากอย่างนี้แหละจะไปที่ไหนจะไม่ได้ทั้งหา่างไกลตั้งวอรตั้งรวมกินน้อยนอนน้อยเห็นน้อยเนี่ย ไม่ไตามปรารถนาของเราทุกอย่างไม่ได้เที่ยวไปโรงแรมโรงมอีกเลยไม่ได้กินตามปรารถนาของเราเนี่ยอยากได้ของร้อนมันก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นมันอยากได้ของร้อนมันก็ได้ของร้อนอยากเลยมากเขาก็ให้น้อยอยากใครก็ให้เยอะเขาให้ช้ามันไปคนละทางทั้งนั้นนต่มันทุกข์มากเลยคือเมื่อวอดเป็นผ้าแล้วได้แล้วเนี่ยจะมีใครมีศรัทธาวอดแล้ว อยากปฏิบัติมันก็ยากถึงถ้าจะหวดก็ยากขวดแล้วก็ยากในฟังทำเนี่ยก็ยากหรือแล้วก็ยากมันไม่ทราบปฏิบัติ น, นี่คนจะบวดไม่ได้ได้ปฏิบัติแล้วก็มันยากเห็นไม่พวกกระเด็นแบบบางแห่งก็เหมืนกันมีมวลด้ครับปฏิบัติผมทำไม่ได้นี่มันดูถูกเจ้าของ ผมทำไม่ได้ครับเราสมัครมาเป็นทหารยีนายของทหารเราทําไม่ได้มันจะเป็นทหารได้เดียวเราเป็นตำรวจกดของตำรวจมีอยู่แล้วว่าผมทําไม่ได้ครับยีนายของตำรวจมียีนายของทหารผมทําไม่ได้ได้ไห ม, มแล้วคิดอย่างนี้ถ้าทํำยีนายมีมอยู่แล้วบวชวันหนี่งมีมนเถอะครับธรรมฐานู่ผมจะเขาอันโมตนาแจะผมทําไม่ได้ครับ จนบอกว่าวัดนั้นปฏิบัติวัดนี้ไม่ปฏิบัติจนมันแบ่งเป็นสองอย่างแล้วคําพูดของคนในปัจจุบันนี้ว่าที่ไหนไม่ปฏิบัติบวชก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นแหละบวชไม่ปฏิบัติไม่มีในหลักของพุทธเจ้าของเราไปเลยทิ้งไปเลยว่าตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นไม่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้มันเป็นอะไรทีมันอยู่ในกพุทธศาสนามันนอกพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้ เราไม่ใครใจกันยากปฏิบัติตัได้ไยากปฏิบัติตัได้เห็นเพื่นไปอย่างนั้นเพียงแค่นั้นจะอาบวชได้จะได้ปฏิบัติอย่างนี้มันก็ยากมันก็ยากมันยากอย่างนี้แค่นั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่พรรษานี้ต่างในทิศสารุชิที่มาพยายามมาตั้งใจจะน้ำจำพรรษากับผมนี้ให้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายพากันมาเอง ผมบอกว่าอยู่นี่มันยากนะอยู่นี่มันลาบากนะพระองค์นทางไหนก็ไม่ยอมทางพ้าบวชใหม่เป็นพระอัสคตุกะนี่มันยากมันยากอย่างนี้มาเองได้แต่อยากอยู่เองให้พวกท่านทางไหนปฏิบัติเองอย่าเข้าใจว่าวัดประพงษเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดประพงษนี่ไม่ได้ปฏิบัติในไทย ครูมาอาจารย์แต่ก็สอนนี่ท่านก็สอนไปตามเรื่องของท่านแต่ท่านไม่ปฏิบัติให้เราท่านสอนให้เรานี่ทางไปที่นี่นี่ทางไปที่นี่ท่านส่งให้ทางไปทางการที่จะเดินทา ง, างเป็นเรื่องของเราเองในรับคาสอนแล้วยังไม่รู้จะเราต้องเอาคาส อ, น, อนนั้นไปสอนตัวเราบีครั้งหนึ่ง นั่นจึงเป็นเรื่องของพวกท่านทั้งหลายจะต้องทํามาเองไม่ใช่ว่าผมนั่นจะสอนพวกท่านทั้งหลายให้เข้าไปหาธรรมะไปปฏิบัติธรรมะได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าของเหมือนกันฉันนั้นท่านจะบอกว่าตรงนี้ละ่ะสัมมาสติสัมมาสมาังกัปปะมันอยู่ตรงนี้นี่ทางไปปณิพานท่านกเตืนอนเอาแค่นี้เองที่เราจะมีความขยนมันหมั่นเพียรนั้นมี่ศรัทธานั้นเป็นเรื่องของเรา ให้พระพุทธเจ้าจะ น, นั่งสอนอ่กระทั่งวันเราตายแต่เราไม่ทําเราเองมันไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ากมลความสามารถเหมนันจะปฏิบัติในคนอื่นไม่มีทําไม่ได้แต่ว่าท่านในความเห็นของคนอื่นให้เกิดปัญญาหนึ่งได้ฉะนั้นภาระทุกสิ่นทุกอย่างนั้นตั้งแต่เป็นภาระภาระครูบาอาจารย์สอนให้เป็นภาระอันหนึ่ง ภาระที่เราจะต้องรับฟังแล้วก็ไปทํำให้มันเห็นดีเนี่เป็นภาระอันหนึ่งฉะนั้นพวกท่านทางไหนรู้ว่ามาเองมาทําเรื่องอย่างนี้ถ้าการรักษาตัวของใครของใครให้ดีให้งามตามข้อปฏิยาของวัสยิดพระสงฆ์ได้แม้บวดสามเดือนร้อมกัยินดีได้แต่ทำให้มันถูกแต่ทาให้มันดียายมันสัดท้องในผงหมูนี้สอนง่าย โถวว่าเจตตาเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายจะเป็นคนดื้อถึงแม่ว่ายัางใดในวัดนักบี่ท่านจะทําผิดกระดองทำกับท่านไปก่อนบางทีสิ่งนั้นเรายังไม่เห็นแม้คาสอนพระพุทธเจ้าท่านไปยังมีเลยทีเรายังไม่เชื่อท่านเพราะเรายังไม่เห็นไม่ใช่ไม่เป็นความจริงเพราะเราไม่รู้จากความจริงมาเป็นความคลุคมขึ้นนั่นแหะ คำสอนของพระอดีตเจ้ามาพูดไปได้มาถูกใจพุทธคนน่ะมันปลอมทั้งนั้นเนี่ยทำพูดของพุทธคนมาพูดไปถึงใจพระอดีตเจ้ามันก็ปลอมทั้งนั้นมันยังเข้ากันไม่ได้ทั้งนั้นเรายังไม่เป็นไปในธรรมะฉะนั้นในภาษานี้ให้ประการตั้งใจทุกๆคนแต่ว่ามันเคยมีความเหลืออร้อนมาที่ผมบวชในพกทธานทางานนานๆ น, น, นี่ไม่ใช่ว่าดูถูกคูหมิ่นทาเนี่ยอืม อับอาย้ายหน้าไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าเจ้านายนายมาก็ต้องทำอย่างนี้มาถึงที่นี่แล้วหมดแล้วใครมีลาภใครมียศใครร่ำใครรวนก็เอาที่ไปโน้นหน้าวัดนีเอาเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้รวมกลุ่มเป็นนันดีกันเลยเป็นศิสยาพศทําเหมือนกันอยู่เหมือนกันมีขอวัดป ฏ, ฏิบัติเหมือนกันดังนั้นจะเป็นนายคนนายพันก็ที่ไปโน้นหน้าวัดวงกลมนั้น ติดโดยจึงแบกไปถ้าเอาเข้ามาในนี้แล้วมันไม่เห็นธรรมะมันขวางอยู่อย่างนั้นมันคนในอย่างซันจะต้องเป็นอย่างนั้นใครจะร่ำใครจะรวยใครจะสุขใครจะทุกข์ใครจะดีอะไรอย่างในกช่างมันเถอะทางโลกมันจะเอามาวดในวัดนี้มันคนในอย่างซันมันคนในอย่างซันอืเพื่อนําสันทะมามเพื่อพระองค์นั้นเนรองค์นั้นนําสันทะมาอืม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 สงบระงับมันเกิดประโยชน์ถ้าอะไรไม่มาโดยศรัทธานั่นมันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์น้อยหรือจะบังคับมันมาเป็นต้นคมคืนมันมาอย่างนี้มันก็ยังดีเนี่ยถูกขทรมานถูกขุมคืนเอะไรมันดีทรมานจิตใจของเจ้าของทรมานกิเลสมันเดือดร้อนมันเด่าร้อนอย่างนี้มันก็เป็นประการหนึ่งอืมเจนกว่าที่ทําไปไม่ได้ทุกรมานมันมีศรัทธาเนี่ยมันเป็นแล้ว อย่างมาฝึกเป็นแล้วไม่ต้องบังคับมันอันนี่ยอย่างเนี้ยมันก็เป็นมาที่ฝึกแล้วการประชุมในสงฆ์นี้อจะเป็นเครื่องให้สำรวจตัวตาพระสิกสุสามเมาเนนการตั้งทำจิตของสมณะทุกวันทุกวันทุกวันนี่ตลอดไตรมาสนี่มันจะมีกี่วันน่ะมันจะมีกี่วันถ้าเรา ถ้าเราไม่ขาดาเราหมุก้องแสดงว่าปฏิปทาของเรานั้นทำอย่างไรเมื่อก่ะนดีดีกว่าคนที่ขาดไปในวันที่คนที่ขาดไปแต่วันนี้ท่านพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอืมไม่รู้เรื่องอืมที่มา อ, อยู่รวมๆกระสง์ก็อยู่ไปเนี่ย<ม>ก็เหมือนกันกับคนที่นอนดับอยู่บุรุษคนหนึ่งมันนอนดับอยู่นะอืมเอาชีนอนดับอยู่ลนะ ไอ้เพื่อนเอาชีดดำมาป้ายหน้าจ้ะม่านั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรใต้เราตื่นนอนขึ้นมาหมูหมูพวกทั้งในหัวเราะก็กลับหัวเราะกับเพื่อนไปด้วยไม่รู้ว่าเขาหัวรอกอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้จักนั่นอือันนี้ให้เข้าใจทุกคนให้ปลูกสัทยาปลูกความเชื่อขึ้นไอ้ธรรมดาเรามาฝึกใหม่ฟืนใหม่ก็เรื่อง เ, เป็นธรรมดา อย่าเข้าใจก็ไปค่ายจะมาทําวัดสวดมนต์มาสร้างคุณงามความดีนี่อย่าอ่าเป็นแค่ค่ายแต่จะไปเกณฑ์ไปเจนมาทําทํางานโยธาอืเี่ยคือคารวะก็ทํางานโยธากันทําทางตรุยทางอะไรเงี้ยเป็นงานโยธาอพวกหลวงก็เกเจนไปทําอย่างเนี้ย บังคับไปไ ม, ไม่ไม่อยากจะไปไม่มีศัทธาแต่ไปกลัวเขาจะลงโทษ อ, อยไางนี่ข้าไปแบกจอกไปจับมีดไปเมื่อไปถึงแล้วว่าไม่รู้จะทาอะไรนะมันไม่ใช่ของเราจะทำให้มันดีมันงามก็ไม่ใช่ของเราบังคับมาไม่อยากจะทำอพอดีเห็นเจ้านายพกรุกเพียบออกมาจับจอกจับ เงียดขึ้นมาฟันทํำไรไปแค่ น, นั้นเมื่อเจ้านายกายไปแล้ขนอนสบายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตถาเพราะว่างานชิ้นนี้ไม่ใช่งานของเรามันงานส่วนรวมในความเห็ น, นเป็นอย่างนั้นเราทุกคนเหมือนกันนะที่เราจะเข้ามาสมวดในพุทธศาสนานอยากเข้าใจว่าเออเรามาบวชชุกวคราวเท่านั้นเนอ่ยประเยวปราะสึกหรอก เดือนสองเดือนสาเดือนศึกอย่างนี้ถ้าไปคิดอย่างนั้นเสียแน่นอนเีไอความชั่วมันทําไม่ถึงนาทีนะมันในคนชั่วนะนะ ม, มันในชั่วเนาะไอทําดีนะแต่มันถูกต้องไม่ถึงนาทีนะมันคณะเดียวมันได้นะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นดีอย่างไรที่เราจะต้องทําเรามาบวชในพุทธศาสนาก็ทําให้มันเต็มเปี่ยมเดจะต้องทําดูดิครูว่าอาจารย์ท่านพาทำก็ต้องทําดิ เพื่อจะรู้จักมันเท่าไหรมันจะเป็นยังไงไหมเราจะได้พูดเต็มปากเราเราไปบวชทำกรรมฐ า, านพยายามทําเต็มที่ของเราเถอะอความขี้เกียจให้มันขี้เกียจไปไอ้ความขยนันให้มันขยันไปขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําให้มันทําฝืนอืไอ้สิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นอนี่การกระทําก็ต้องทําอย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าเราทําไปปรเดี๋ยวเรากึกแล้ว อืทำไปเป็นบันมเดียกระสึกเนี่ยอย่าไปคิดเช่นนั้นเสียหายเลยเสียหายไายอ้ทำความชั่วมันโถงเดียวมันจะชั่วนัะ น, นะลองดียิงคนเดียวป้องเดียวเท่านั้นเนะี่ยไม่ถึงหน้าทีแล้วมันตายมันเป็นโทษอไอ้ค mm hmm. ณะกิจเดียวไอ้ความชั่วมันน้ำน้ำพึ่งหยุดเดือดเดียวเท่านั้นนะไ mm hmm. อ้คนฆ่าคนมันมันวูบเดียวเท่านั้นเนหะ็นไห ลูกตัวเองก็ได้ลูกฆ่าพ่อก็ได้เมียฆ่าผัวก็ได้ผัวข่าเมียก็ได้มันบุกเดียวเท่า น, นั้นนี่นี่คือการกระทำความชัว่วไม่ต้องนานเนาะไม่ต้องสี่วันห้าวันเนาะเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นแค่นั้นการกระทำความดีนั่นนะอย่าพึ่งว่าเราบัดนี้เรายังไม่เอาแน่นอนเนาะนำมาวอดโจ้ขาวกันนั้นอย่าไปคิดเค่ น, นั้ น, เ, นเรามีโอกาสขนาดนี้มันดีแล้ว ขนาดนี้มันดีแล้วอย่างไรก็ต้องเด็ดปัจจัยมีปัจจัยติดตามตัวเราไปเมื่อเราได้ชะทําแล้วทําดีนั่นแหละดีแหละให้เข้าใจอย่างนั้น <c oughs> อะไรไมาเป็นขอบเขตอะไรเป็นเครื่องหมาย <c oughs> การประชุมในโบสถ์หลังนี้รั้นระฟังมาถึงเวลาเดีวมาอันนี้แหละตรวจดูง่ายๆว่าอันมันจะเป็นยังไงอะไรมั้ยอย่างนี้รู้จักกันอ่ะอนน ใครจะเป็นอะไรยังไงไอ้ปฏิปทานนี่บอกเหตุผลแล้วการกระทานี่บอกเหตุแล้วเนี่ยสู้จักละอย่างนี้อย่างนั้นต้องช่วยตัวเองอย่าให้ครูบาอาจารย์บังคับเราอย่าเข้าใจว่าท่านบังคับเราทุกคนมาด้วยศรัทธาทั้งบทใหม่ๆก็ดีทั้งบทเก่าๆก็ดีมาด้วยศรัทธาทั้งนั้นอืม อย่างผมเนี่ยบวชเกา่าไม่มีใครเชิญมาเลยมาบวช น, นะนไม่มีใครไม่มีใครเชิญมาไม่มีใครบอกมาไม่มีใคราราชนามานะัผมมาเองผมนี่ น, นี่ถ้าเรามาเองแล้วลงมาทำเองที่พ่อเรามาเองเราแล้วทำทำเองเราที่ระเบียบมันมีอยู่แล้วก็ต้องทำสิเราจะรู้ว่า ทำติดติด ก, ก, ก, ก, กันตลอดสามเดือนน่ยมันจะเกิดผลไปอะโยชน์อย่างไรเมื่อเรายังอยู่จะได้พูดเต็มปากเราเมื่อเราสึกไปก็จะได้พูดเต็มปากเราอันนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้เดี๋ยวนี้นะ่ะวัยของท่านมันยังไม่ครอบประมารับอายุห้าสิบหกสิบปีแล้วท่านทั้งหลายจะได้มองดูท่านหลังนะ่ะนึกถึงที่พระสงฆ์ทั้งหลายนช่วยนั่นนะท่านจะรู้จัก จะได้ออกปากมาว่าออแม่แม่แต่เรายังหนมไม่รู้เรื่องนะนี่เนาะค <c oughs> ณะสงฆ์อสอนท่านเทศน์ให้ฟังทุกอย่างหลวงพ่อสั่งสอนทุกอย่างมีศรัทธาจ น, นข้อเราเรากลับไม่รู้เรื่องเลยอื <c oughs> นึกว่าไม่ใช่หิตไม่ใช่จิตของเราไม่ใช่เรื่องของเรานี่แกแล้วถึงรู้จัก <c oughs> ถ้าหากาาจะรู้จักสมัยนั้นอโอ้โห คงจะดีไปซะแล้วป่านนี้อันนี้มันมันสายสะแล้วเนี่ยไปอีกแล้วเกือบทุกคนจะพูดกันอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือท่านวีระพลเนี่ยปนี้ผมช่วยให้ให้อธิบายธรรมะอธิบายพวินายให้ฟังเรื่องพวินายนี่นา จะไปพูดให้มันเข้าใจกันจริงในที่นี่ไม่ได้เป็นคร่าวๆาออไปเท่านนะั้นไม่เวลาม่พอสมัยก่อนผมห้าพัรษาหกพัรษาเนี่ยในผู้เผยขานี่องค์ของสิ่คาบทเนี่ยมันจะเต็มในกระเป๋าเลยไม่ต้องแบกผู้เผ ย, ยขาเขียนมไม่ได้มีพิมพ์ด้วยเขียนเองเลยตัวนี่น้อยหนาขนาดใส่ยากไปดูทุกอย่างเลย มันต้งเคร่งขนาดนั่นดูไปดูไปดูไปนานๆดูไปนานดูไปผลที่สุดในสมัยตรงวันเนี้ยทิ้งแล้วทิ้งเพราะอะไรเพราะเรารู้มันได้ว่าจะไม่ทํามาแล้วขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปมันผิดแล้วจะไม่ทําอยู่แล้วมันตั้งใจอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปมันไม่ผิดเพราะเราไม่มีเจตนาอะไรแล้วอย่างนี้อืมเนั่น อันนี้เป็นสิ่งสี่สำคัญพระวินัยทุกแง่ทุกมุมนั่นจะให้จบมันในจบต่อนะไม่จบนอกจากเราพระวินัยทั้งหมดเนี่ยอ่านคร่าวๆอย่างรู้ๆจากนล่นหนึ่งเรามีความละอายมีความกลัวนะนะเท่านี้เนี่ยจะทำอย่างนี้มีความละอายเกิดขึ้นมาแล้ว อันนั้นไม่ทํามันจะถูกหรือผิดก็ช่างมันยังไม่ทําเลยจะพูดอย่างนี้มันจะผิดหรือถู ก, ถกไม่รู้จักไม่ต้องพูดมันเลยอันใดที่เรายังไม่รู้จักเนี่อย่าพึ่งทําอย่าพึ่งพูดเรียนครูบาอาจารย์ก่อนอันนี้ที่รวมของปวินัยแล้วเนี่ยที่รวมของปวินยัยอายกลัวต่อความชั่วทั้งหลายแล้ว ยุงตัวนี้จะเจตนาไปฆ่ามันน่ะเหมือนกับเราฆ่ามนุษย์คนหนึ่งน่ะอย่างเนี้ยมันขนาดนั้นเนี่ยมดตัวนี้เราจะแก้งไปฆ่ามันน่ะเหมือนฆ่าวัวตัวหนึ่งใช่ไหมขนาดอย่างนั้นจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อยุงมันมากัดเรามันมีความรู้สึกไปมันคันน่ะเราคว้าไปเกาเอออย่างนี้จะยุงตายไปน่ะนั่นก็ไม่มีอะไร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 เท่านี้เองเนี่ยนี่ถ้าเป็นธรรมะเดี๋วจะต้องเป็นอย่างนี้นี่จะนั่นที่ท่านมีธรรมะพอสมควรมีปีพึ่งแล้วท่านจึงปล่อยวางอืมนสมัยก่อนต้งแบกัมภีพปินายไปไม่ก็จําเป็นเลยนะต่างหลายปีนะพ้นจะทิ้งมันนะมันยังทิ้งอันนี้ทิ้งมันกันยังอยู่ไม่กล้าทําอย่างนั้นจิตมันเป็นธรรมแล้วอืม ถึงจะไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรของมันอย่างนี้อไม่ใช่ว่าไม่สนใจในพระวินยัยสนใจในพระวินัยอยู่แต่รู้เรื่องของพระวินัยแล้วจะไปรักษากันหมดหม ด, หมดทุกๆ ท, ท, ที่ขาบทันาตายนี่ไปเอาจริงเอาจังอย่างนั้นไม่ได้เราไปถึงพระวินยัยเราปุ๊บเข้ามาในธรรมะพระวินัยนี่จะไม่ใช่ของเล่นๆนะบางคนอ่านพระไวยฟังโอ้ยอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นเป็นนบัต ทุกนาทีเลยนะนี่คือคนไม่มีปัญญานะผมเคยเล่าให้ฟังนะ่นะนายคำอยู่บ้านทุง่งบวชสามพัรษาเดินจยผมไปสักัีเดียวนึกถึงอันนั้นแส เ, เป็นนาบาัตแล้วเดไปหาพระเดินอยู่กรมอยู่ในการท่านท่านมผมแสดงับัตด้วยเป็นาบัตแล้วนะ นั่ง 9, 12, 9, ไปเรื่อยีกเก้าหนึ่งสองเไปอ้าอันนั้นมาอีกเป็นอวัตแสดงอวัตยุทธ์ตลอดเลยเป็นบ้าอะไรเงรี้ยนี่เข้าใจไหมอะไรก็จะเป็นอวัตถงนั้นผ้ากลเดียวนั้นอืมบวชแล้วเข้ามาภาวนาไปนึกไปได้ไอ้ผ้าเนี่ยถ้าเรายังไม่เป็นทุกขะมั้งเนี่ยนี่อ้าวอ อ, อ, อีกแสดงสงสัยเลยไปเสียสนับผ้าใหม่กินทุใหม่ ทำใหม่อืเน αι. ต่อมาอีกสามวันสี่วันเดินที่ลมไปมาปุ๊บอ่ะพินทูเราอธิษฐานหรือเปล่ากันไม่รู้สงสัยสาาอีกแล้วไปเสียชนะผ้าอีกแล้วมาพินทุแล้วมาอธิษฐานใหม่แล้วก็อยู่ไปห้าวันสองวั น, วนทําไปอีก อ, อธิษฐานออกชื่อผ้าได้ไงไม่ดูเอาอยู่แล้วสังขารติหรือ อุตราสงฆ์อันตรายาสกออกชื่อหรือไม่ออกชื่อเลยเอ า, เอาละไปเจียสรระอีกแล้วแล้วการ น, นี่เกิดยิ่งดูภวินัยไปเท่าไรนะยิ่งเกิดความวุ่นวายสงสัยไปหมดทุกแง่ทุกมุมเลยนี่มันเป็นไงนี่จนกว่าบวช3ามพรษาเนี่ยไม่มีอะไรสงสัยทั้งนั้น้พระกติกาใกล้กันนั่งเกียดเลย เดี๋ยวเดินจะพรมเพียนเก่งเหมือนกันนะแต่เพียนหาอาวัตเพียนหาความผิดวุ่นวายไปเนี้ยก็เดินพั๊บปัท่านครับแม้ผมคืออาวัตเนี้ยไอ้ผมแสดงอาวัตดอยไอ้พระกตีกาใกล้กันจนวุ่นวายนี้ตรงเทไรก็ยิ่งอาวัตไม่หมดแล้วจําเป็นคนท้องสึกนี่สงสัยอสงสัยตึกไปแล้วมันเกิดมีวอนมันทำอะไรไม่ได้มันเกินไป สึกไปเนี่ยอยะไปทำงานแล้วแล้วไปหากบขายตราชลดสงสัยอะไรเี่ยไม่มีวอนเลยนี่มันบาปแท้ๆนี่ยังไงไปนั่งให้โทษเราโดยมากผู้ที่ใหม่ๆอายรีกรัวเกินไปมันชอบเป็นอย่างนั้นปรับอาบัตตัวเองเลยบางทีก็หน้าปราตุกะมันเคลื่อนลงมาปุ๊บย่างี้แหมมันมีความสุขนะ แยกไม่ออกซะแหมเราอะไรไมนะ่น้อนี่นะเรายินดีไหมอะไรไหมเราพยายามไม่แยกไปออกกันแล้วเอ้าเป็นอาวบาดีแล้ว <c oughs> แมส่วกนี้ก็ลาบากเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่รู้เรื่อง <c oughs> มันในแจ้งขาวปฏิบัติน้อยดูทิทนมันไปดูถิมันจะเป็นไง ไ, ม, ไม่รู้จักอย่างไรก็ให้ศึกษาแล้วนะที่ท่านให้ข้อคิดนี่เดียศึกษาชวัาวรนะ์เล่าเนี่ย ถ้าหายมันดีจริงๆนะเราจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งใครจะสนใจศึกษาไปินยุทต้องไปดูในกติกของเราวังว่าดูไปพิจารณาไปดูไปมาพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็มาก็มาฟังธรรมและพิจารณาน้นๆเมื่อมันไม่เข้าใจก็มาเรียนถามท่านเรียนถามท่านท่านจะช่วยแนะนำ เมื่อฉันช่วยแนะนําก็ยังไม่เข้าใจอยู่พราะวางนั้นแต่ก่ออนืมันยังหนาอยู่อบางทีก็ถามจนกว่าที่ว่าไอคนที่แนะนําอะไรไม่รู้ยอย่างอาจารย์ที่นวลนี่ไหมถามจนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ยิ่งวิ่งกขป่าเลยอือะไรก็อย่างนั้นจนเขาไม่รับได้การเข้าในที่ประชุมเลยอย่างเนี้สงสัยไม่รู้เรื่อง ไม่ดูเรื่องอย่างนี้มันก็เกินไปอันนี้แหล่ข้อให้ข้อคิดในการพวินัยแต่มันก็ยังดีนะพวินัยนี่มันพวินัยมันมันผิดถ้าทําผิดไปคือมันผิดมันเองนะไม่สมูร์หรืจะเป็นกฎหมายของพระเราโดยตรงก็ได้แต่มันเป็นของละเอียดมากอันนี้นะเป็นของละเอียดมากหรือเกินอันนี้เป็นของละเอียดมาก เราจะตามมันใน่ทันไอ้สิ่งที่มันละเอียดละเอียดนี่มันละเอียดอยู่นั้นเนี่ยเราเราตามมันใน่ทันเนี่ยต้องอาศัยการอาศัยเวลานานๆอาศัยศึกษาครูบาอาจารย์มีที่ไปเพื่อการกระทําไปด้วยอย่างนี้นะอันนีเ้เรียกว่าพระวินยัยที่นี้ครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านปฏิบัติมาเดียวน้นๆนั้นาะมาเคยดูพระวิ น, ยนัยแล้วแตนดูจิตของท่านเนอ จิตของท่านการดูจิตของท่านอมันมีกอกจากจิตของท่านเพราะพุทธศาสนามันเรื่องของจิตยังจิตเนี่ยมันจะคิดจิตฉาใครอย่างนี้ก็รู้แล้วท่านเยท่านไม่ไปยุ่งกับมันหรอกมันผิดแล้วมันจิตฉาคนนั้นอย่างเนี้ยท่านรู้มันแล้วเดี๋ยวมันรักคนนี้อย่างนี้ท่านรู้มันแล้วอย่างเนี้ไอเราทํามันถ้ามันเกลียดหรือสงสัยมันมันฆ่ามันแกงกันไป ถ้ามันรักมันก็ฟันเฟือกันไปไม่รู้เรื่องท่านรู้แล้วนะดู้ได้ว่าอารมณ์ท่านรู้แล้วอะไรท่านรู้ของท่านแล้วท่านจะอยู่สบายสบายของท่านไปอย่างนี้ท่านปล่อยวางเพื่อท่านรู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กเด็กอ่ะอ่ะปล่อยเด่นทายไอตัวอะไรมาวิ่งมาผ่านหน้ากระตะคุปมันเด็กไม่รู้อะไรเนี่ยไอมดมากระจกคุปวึ่งบีดมากระตะคุปเนี่ย ไม่รู้จักเยอะก็มาแรงปองมันใจ่มากกตะคุกอีกเนี่ยมันก็ต่อยอังร้องให้อันนี้ก็เหมือนกันไอ้ดีมาก็กว yeah. ่าตะคุบอ่ะซักความพอใจมากกตะคุบอ่ะซักความเสียใจมากกตะคุบอ่ะซักจับทั้งนั้นอือย่างนี้เรียกว่าเรายังไม่ฉลาดพอไม่รู้จักอืไม่รู้จักไอ้ความดีมาให้โทษเราเมื่อเราไม่รู้จักดีไอ้ความชั่วมันก็ให้โทษเราเมื่อเรารู้จักชั่วเนี่ย ให้โทษเราทึงสองอย่างถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วอันนี้ให้เข้าใจการเผยในรักษาเิยในนี่ต้องให้เรียนรู้วาอย่างนี้ทุกทุกท่านก็ดีให้พยายามเท่าที่พยายามนี่มันใหม่เนี่ยยังไม่ถึงเดือนในพรรษาในพยายามเร่ง ในการปฏิบัตินั้นนะในทางมันที่ดีที่สุดยอ่อเรามาทำปฏิบัติใหม่ๆ ใ, ในรู้เรื่องอะไรนะจะทำอะไรจะคิดให้รู้ซะก่อนถ้าสงสัยเรา อ, อย่าพูดมันเรียนครูบาอาจารย์ก่อนอย่าเพิ่งทำมันเนี่ยอันนี้แหละเรื่องบริสุทธิต์ตรงนี้ก <c oughs> ารมันจะให้เรารู้รู้สึกตัวอย่าไปเพิ่งทำมันง่ายต้องอดกัน้นทุกสิ่งทุกอย่างอ ความเห็นหนึ่งอย่างท่านเทศสติปัฏฐานหรือมักมีองค์แปดในฟังวันเนี้ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไอ้ความเห็นชอบมันจะเป็นไงเนาะถ้าเรารักคนนี้เราก็พอใจเรื่องว่าชอบแล้วอืถ้าเราเบียดคนนี้เราก็ไม่พอใจเรื่องว่าเราชอบแล้วแน่มันเป็นซะอย่างเงี้ยมันชอบั้งข้างคู่คูไปอย่างเงี่ะไอ้ความเป็นจริงทั้งให้ปล่อยทั้งชอบทั้งไม่ชอบไว้อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันให้รู้มันมีสติอยู่ สงบอยู่เท่านั้นเยถ้าว่าใครที่ไม่รู้จักอะไรมันการประพฤติปฏิบัติดีน่ะพูดไงบบปิดปากบุนไว้เปิดปากใจไว้ให้ใจพูดมากๆปากธรรมดาเราเนี่ยให้ปิดมันไว้เห็นไหมกานแสดงเป็นปุทธาธิฐานไหมภาิตตวันตงเก้าเห็นไหมปิดปากปิดหูปิดตาปิดตูดปิดมด นะการปืนเลยปืนยิงไม่ออกไปยังสัน่นอยู่แต่แล้วไปหาเอาหินเอาอะไรมามาโคดพระปิดถวาวที่ไดนมีถวาวหูก็ปิดตาก็ปิดตาก็ปิดจมูกก็ปิดตูด ก, ก็ปิ ด, กกปดโนอเอาไปนอนเป็นกระตุกกระถาเป็นของขังกันแล้วปืนยิงไม่ออกเนี่ยว่าไปโนนีน่เป็นบ้าไปโนนี้น ไอ้ควมจริงท่านไอปีติตาหูจมูกคิ้นตายจิตเนี่ยอารมณ์มันเข้ามาตรงนี้ถ้าไม่รู้มันไม่เกิดโพดตรงนี้อืมเราก็ไม่รู้เรื่องอืไปทํามาไปตันปืนเนี่ยไปกันปืนไปกันระเบิดมันจะไหวเนี่ยเลยอย่าไปทํากันนะดีกว่าเจ้าได้ไปกันมันเลยอืมกันธนูกันหน้าไม้กันอย่าไปกันมันเลยที่เดียวว่ากันอย่าไปทํานั่นดีมากที่สุดเลยอย่าไปทะเลาะกันนั่นพระพุทธองค์สันสุ สรรเสริญ น, น, น, นีืมันจะไปสรรสรรเสริญ น, น, นั่นไม่ได้อันนั่นเดียก ว, ว่ามันของขังงมงายอืมเนี่ยเราพอมองเห็นปุ๊บโอปิดตามือปิดตาจะจะปิดหูอืมแล้วยจะปิดปากแล้วปิดจมูกปิดตูดแหมมันมือร้ายลเลือดเผินปิดมดแต่มีไม่สั่งนะั่นมีไหมอืมเนี่ยไอคนเราไปเห็นก็เออเอืมดีนะนะปื น, นมันไม่ได้กินแล้วเนี่ย ไปแค่รูปนั่นก็แล้วมันไม่รู้เรื่องกันอย่างนั้นอันนี้กูมันกันนั่นแหละออันนั้นมันเป็นปลุกคราศิฐานปิดอย่างนี้เี่ยเป็นรูปพูดเฉยเฉยมันไม่รู้จักต้องอามือปิดอย่างนี้ปิดปากปิดอย่างนี้ปิดหูปิดอย่างนี้ปิดจมูกปิดอย่างนี้ปิดตาปิดอย่างนี้ตาเราก็เห็นน่ะมือมันปิดหูบังปิดปากบังปิดตาบังปิดถ้าเรพัดอย่างมันก็เห็นชัดเออปิดอย่างนี้มันก็จะดีนะเนี่ย ไม่ไม่ใช่ว่ากเขาปิดอารมณ์ไม่รู้จักว่าปิดอารมณ์มันจะเข้ามาในทางนี้เอาไปทําไปอย่างอื่นใช่ไมมันเสือกใสไปทําอย่างอื่นจะงมงายไปสิงนั้นะอันนี้คือเมื่อการนั้นนี่หละเราปฏิบัติไม่รู้แจ้งมันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ที่เรื่องพระวินัยนะั่นพระวินายนั่นพูดถึงง่ายๆเหมือนเด็กๆ ธรรมะเหมือนกับผู้ใหญ่แล้วรูเนื้อรูตัวแล้วถ้าวีนัยมันกรเด็กเมือนกระเด็ๆนดๆไม่รู้เรื่องกลัวจนจนกลัวจนตายกลัวจนตายนี่ถ้าวีนัยนี่เป็นเหตุให้เลือดร้อนวุ่นวายสารพัดอย่างเออจิตของคนนี่เห็นไหมท่านในประทมประจิตอ่ะท่านในเสียกลัวเลยมั่ง ในช่องขาในช่องจมูกช่องปากสารพัดอย่างอืแม้แต่จะช่องดานลูกสะดกอย่างเงี้ยออืก็ยังเอาดันเข้าไปในนั้นแหละไม่ของมือิจับของแข็งเนื่องจะตายไม่นนรู้เรื่องนี่เพราะอาศัยปัญหามันเป็นไปอย่างนั้นเนอ่ขณะที่คนผีตายจบตายแล้วเน่อยอย่าไปไปจับต้องมันเลยอย่าไปไปบางสกุลอะไรอย่างเงี่ย อย่าไปข้าวคลึงมันเนี่ยขนาดนี่มันยังเอาไปในสมัยก่อนมีพระมีพระไปข้าวคลึงซากศกเขาบางทีไปบางสมุนไปเห็นซากศกมันยังไม่แตกนันเนี่ยเน้เน่านิ ด, นดหน่อยเท่านั้นเนี่ยแต่ตันหามันอยา่างนึกไปนึกมาก็าเอ้าเสพหญิงคนนี้ดีกว่าเนี่ยเสพคนตายมันมีปากนีเสียงเนี่ยเสพคนเป็นมันมีปากนี่นนเสียงเ น, น, น, นี่ บางทีสเสียิผีตายแต่นี่ใครใจไหมใครจะไปกล้าทําอย่างนั้นมันบ้าที่เดือดทั้งนั้นนี่พนั้นจริงบอกทุกแง่ทุกมุมเลยบางคนก็บอกแหมใครจะทํางนินเนาะอย่าไปว่ามันเลยนขนาดตุกแกเห็นไหมถ้าพูดตับเนี่ยตุกแกใ น, นกระตีท่านหไหนไล่มันออกนะวะทำไมมันจากองค์กําเนิ้อผ่านเข้าไปในนั้นปากตุกแกมันกว้างเห็นไหมเนี่ย เนช่องขนาดนั้นมันยังจะเอาไปเลยนะนี่ตุกแกกเนี่ยมันอาา้าบาดกันดิเข้าไปได้ไหมเนี่ยนะมันจะเสียบตุกแกนะเ่ยเสียบขังคกเนเสียบรูเสียบกระพัดยางมันตันหามันตาหมึกท่านทั้งหลายยายจะประมาทเอยยายประมาทเลยระวังเถอะนะอืราะนัะ้น น, นี่บุกบรรันนี่เทศเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเท่านั้นนะ ระวังเถอผู้หญิงอย่าไปใกล้นะนาะระวังไม่ไปใกล้ด็กายสายตาเข้าไปผ่านพึบท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะเอาแหล้ติดดักเอาสายตาไปสกปรกเท่านั้นเละเห็นไหมเอาสายตาสกันเท่านั A. ้นเนี่ยนี <m> ่ตอนจะเห็นแสวิม <galaxies> มันเป็นพ <m> ิบเลยเนี่ยอนีะกันจึงให้ระวังออระวังอออื พระอา น, นุนเรียนพระพุทธ อ, องค์ว่าจะให้ข้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามประฏิภาพอย่างไรอา น, นุนอย่าเห็นมันเลยดีกว่าพระอ น, นุนคิดไปเหตุมันมีตาไม่เห็นคนจะทํำไงนงเนาะนนนถ้าหากว่าเหตุจําเป็นจะต้องเห็นมีอยู่นั้นแจงข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างไรประ้ารอย่าพูดดีกว่าอา น, นุ์ อนุนก็คิดไีแหมถ้าพูดถ้าเหตุจะต้องพูดมีอยู่จะทำยังไงนะเขียนมาเราเดินไปแล้วไม่ดูจากทางลราหลงทางเห็นผู้หญิงเดินมาก็ต้องถามมาโยอมทางนี่ไปนั่นไหมก่อนตรงถามอย่างนั้นไหมเกิดความลู่ขึ้นอย่างนี้กันเอออนุถ้าเหตุจะต้องถามมีอยู่นั่นก็ให้มีสติเห็นไหมครั้งแรกามาไม่เห็นมันเลยดีกว่าผู้หญิงเนี่ย น, นี่นี่น ตัดเมือนแรกไม่เห็นดีดีกว่าเหตจะต้องเห็นมีอยู่ไม่ต้องพูดเหตที่จะต้องพูดม่อยู่ทำไงต้องมีสติให้มากอนุนการปฏิบัติกับสตรีเพศเนี่ยให้ระวังสายตามไม่ไคยสกกรทันั้นมันใจบาด ท, ที่ตังเดือนสองเดือนจนจนตายใช่ไหม แม้แต่ที่นั่งของมันมันลุกไปใหม่ๆเลยไปดูตรงนั้นที่เมยมันอยากจะไปคำเลยนะ่ะเข้าใจไหมนั่นตัณหาเ น, นี่ยนะเข้าใจไหมเห็นอมันไปแล้วมันก็นยังมองนั่งเห็นหน้ามันอยู่ยงไงล่ะทําไมไม่มเป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนั้นใจท่านอย่าไปใกล้มันเลยออย่าเพิ่งไปใกล้มันหลบมันแบบคิดจารณามีสติให้ดีเท่พูดในนี้สติให้มีดี บางคนกระวบธรรมะพูดเก่งประจบเก่งกับ ต, ตรีกับผู้หญิงได้เงินได้ทองได้หารการคบกันว่าเราดีดีฉราดอะลึงจะตายมันไม่เหลือแล้วนี่อย่าเลยไอความเป็นจริงถ้าเราปฏิบัตินั่นนะทุกคนพึ่งตั้งใจไว้ในในใจของเรารู้ใจในใจของเรารู้จิตในจิตของเรารู้ธรรมในธรรมรู้กายในกายให้รู้จัก ให้รู้จักหมดต้องรู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> จิตของเราเนี่ย ม, มันจะเป็นยังไงไหมไอ้จิตของเราคืออะไรไหมผู้รู้ในจิตของเรานั่นเนี่ยให้รู้จิตในจิตนี่มันเป็นเรื่องจิตเลยนะอยังให้รู้ผลไม้ในผลไม้นะี่ ให้รู้เนี่ยให้รู้กายในกายกายเรานั่งนี่มันรู้อยู่เลยไอ้ในกายมันเป็นไงมั่งสวยไหมดีไหมอะไรทั้งหมดมันเป็นธรรมไอ้ธรรมในธรรมนั่นคืออะไรไหมจะต้องรู้จักอย่างนั้นอือันนี้ให้กลายมากผมกลัวมากหลอดบทบิดมาเท็ขนาดนี้ไอ้เป็น เ, ป น, เนเพื่อนเดียวกันตั้งแต่เป็นคระวานอยู่ผู้หญิงเนี่ยผมไม่เคยถามเลย พอไปพบปุ๊บมันยิ่งกระปาเลยไม่ถามก็ไม่พูดเลยเนี่ยไม่ถามไม่พูดหนีไปกลัวกลัวยิ่งกลัวเสืออะไรนั่ไม่กล้ามองหนูหน้ามันไม่กลัวขนาดนี้มันถึงอุดติดมาถึงขนาดนี้นะเราจะไปนั่งคุยกันสองต่อสองไอ้หนูเป็นยังงัไนหนูเป็นงไงมันก็รู้นูอยู่นั่นแหละสามปีมันก็หนูหนูหนอยู่ในหูในใจนั่นแหละเสียหายมากอย่าไปคุกคีมันเลย อันตรายของเราอันนี้เนี่ยถ้าว่าเราปฏิบัติไม่รู้เรื่องอะไรนะควรเข้ากรรมาฐานก็ได้<ม>เคยทําดูสิขนาดที่ว่าอะผมเคยทำเนี่ยพรรษานี้ไม่ดูหน้าผู้หญิงเลยก็ทําอำไม่รู้หน้านก็ทําอำดูห น, าหนาดด้าไม่รู้หน้าพูดก็พูดได้แต่ว่าไม่ดูหน้ามันไม่รู้ว่เป็นยังไง แม่อตามันมันจะขี่ขึ้นน่ะมันอยากจะดูน่ะเหมือนเขาพูดนั่นน่ะเปึือบเปลือบปลืบมันจะตายอะไรนั่นน่ะไม่ได้ดูพรรษาหนึ่งคนนึกว่ามันโชมแล้วผิดเียวน่ะออกรรษาแล้วสั่งใจดูมันที่โอยมันเกือบตายเนี่ยใช่ไหมมันบื้อขามันโชรมอ่อนมุดเนี้ยเดินไปยินทวาทลบบุรีเน่ยเดินมาออกรรษาแล้วดูมันที่วะไอผู้หญิงเดิไปดูหน้ามันสั่งสามเดือนแล้วเนี่ย คงกิเลสมันจะโทมไปแล้วมั้งพอมันดูไปสร้างใจแล้วก็รู้พุบโอ้เครื่องเต่งตัวแดงประดาษประหลาดมาวูบตายแม่ก็นึกแบบอาจะมาตายแล้วเมื่อไรเนอะมันจะหมดกิเลสที่นอกท่อใจเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นต่อไปทีเนี้ยต้องมันเกิดจากการภาวนา แล้เอามาภาวนามาพิจายมันรู้เรื่องตามความจริงมานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดแล้วแต่เรียกว่าต้องออกทางมาเนี่ยเราค้นกันพระใหม่ๆเราเลึอกอะไรที่ในในพรรตนี้ท่านว่าพระเถระผู้ประพฤติปฏิบัติโดยมากในในพรรานี้ท่านสมทานอยู่อยู่แต่อุปอันนี้เกี่ยวกสังรวมไว้เราจะตั้งใจเอาออกเจ็ดวันนี่ไม่มากจาว่า เจ็ดวันนี้ฉันแค่ไม่พูดนอกจากความจําเป็นอย่างเป็นไข้ที่ปวดท้องอะไรเงี้กําหนดไวในใจกนะ็นอนเนี่ยนี่เดีว่าดกำหนดไว้เจ็ดวันเออได้เจ็ดวันแล้วไม่พูดอารมณ์มันก็น้อยลงอ้าวดีกันเนนะี่ะเอาอีกมาเอาที่เอามานทิพห้วันอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดกับใครให้พูดใ น, ในใจของเราให้พูดกับใจของเราอย่าพูดกับคนอื่นครับเนี่ยนี่เราไม่ต้องมีสติดีมาก ะถ้าหากเราอยู่ดีๆจะทำไงอันนี้เป็นเครื่องตัดสินใจของเราถ้าเราเที่วไปอยู่มากๆอยู่คนเดียวมันก็สงบแบบนี้เมื่อเข้าในกลุ่มแล้วเนี่ยมันจะพูดกันแรงมันจะพูดเรื่องอะไ ร, ะไรหัวร้วอนย่อกันสารพัดนั่นแหละที่ปฏิบัติอยู่ที่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่คนเดียวเมื่อเข้าในกลุ่มแล้วพูดเรื่องสรตลกสนองได้หลายอย่างเนี่ยมันใจมันเพ้เอขึ้นมาเออพิมพ์ขึ้นมาไม่ฟังเสียง เสียงดังขนาดเอว่าวเอว่าวเอว้าก็ไม่รู้เรื่องเจ้าของมันเพิิน น, ะนั่นเนี่ตรงนั้นแหละตรงที่เราจะต้องมีสติเราอยู่องค์เดียวไม่ต้องมีสติทาร้ายหรอกเมื่อเข้าในฝูงนั้นนะ่ะจะต้องมีสติกลุ่มพะระกลุ่มเนรกลุ่มญาติโยมทั้งหลายกลุ่มผู้หญิงกลุชายตรงนั้นควร ม, มีสติน่ไม่ไม่หลงไหนตามอารมณ์นั่นนี่ควรกำหนดเป็นอายะอะยะไปอจะต้องทําำดังนั้น อผมปล่อยให้แต่นอาจารย์เลี่ยมอาจารย์ชูวีรพลรับเ น, เ, าาเนี่ยเข้ามาเนี่ผมนานๆเมืนน่อกี้จะมาเจ็บเจ็บวันจะมาเยี่ยมอะไรเนี่ยเพราะว่าหาเวลาพักไม่เป็นจะได้นะโลกใครใครเจ็บมันมีจะพยายามสงเคราะห์อเพวกะท่านใหน้ก็ทํากันไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปถึงคราวผมจะขึ้นมาผมพบขึ้นมาอย่างนี้อย่างใดก็ต้องพากันทํา ตามข้อนัดหมายเป็นสัจธรรมสัจจากความจริงใจเมื่อประพฤติสิ่งใดก็ได้จริงๆนี่เมื่อเรามาบวชตะว่าอย่างไรไหมเราปฏิญญาณตนอย่างไรไหมเราตั้งใจอย่างไรไหมเราถึงวาจารับอย่างใดไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะให้เข้าใจอย่าไปเข้าใจมาประเดี๋ยวเปลาเรกเดือนต้องเดือนแล้วก็ศึกเท่า น, น, นั้นเนอย่าไปคิดอย่างนั้นเลย อ, อย่าไปคิดอย่างนั้น ถ้าคิดอย่งงางเง้นมันโง่ตลอดตายจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ดีแล้วดีก็ดีไม่ใช่ธรรมะดีนอกธรรมะดีมีโทษดีประจากโทษคนอย่งงางนั้นไม่ค่อยง่ายดีก็ดีมีโทษอั่นี้มันจะเป็นอย่างนั้นอเอาละสังนี้นะอ่าบันนี้ผมเคยได้พูดกับไอ้พวกฝรัง่ษษษษษษษษงฉันจะคิดโตว่ะไอ้พวกยมฝรั่งว่ะพวกทีวัางมาใหม่สวีวังนะต่อไปนี่ อ่ะไอตอนมาทำวัดบางทีพวกหน้าฝรั่งเขามาหรือผู้หญิงฝรั่งก็จะมาใจเข้ามาทำวัดด้วยอยู่อยู่ข้างนอ ก, กนธรรมดาที่เมื่อถึงคราวเราเลิกก็กเลิกไปจะให้เหลือที่พระฝรั่งท่านยังอยู่เนี่ยท่านจะอธิบายธรรมะสงสัยอะไรน ะ, นะ อันนั้นมันมีโอกาสเขาอยู่กับพวกชีหรืออยู่กับไม่มีโอกา ส, ากกาสคือไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษากันแน่นอนอย่างนั้นผมวันนี้ให้โอกาสครับอย่างทําวัดสวดมนต์เขาจะมากหอยเขามาเมื่อถึงคราวทงกวนเดี๋ยวเราก็เลิกกันไปพวกพาะไทยเราก็เดิกกันไปพวกชีฝรัง่งพวกพระฝรั่งเนี่ยจะได้ปรึกษาโดยธรรมะ ก, กันต่อไปให้ปรึกษาอยู่ตรงนี้แต่อย่าให้แรงให้สงบละคนระับ หรือเสียพระไทยเราจะเดินจมวมอยู่ยแถวๆนี้ก็ได้ให้สงบระงับต่นนั้นนะอันนี้ให้โอกาสท่านสัติกิตูครับอย่างนั้นมันสงสัยมันจะตายค น, นสงสัยในใจมันสงสัยมากอย่างนั้นเขาจะาหายข้อข้องใจเขามันหายไปอันนี้ประการหนึ่งที่เขาขอบัด น, น, นี้เขารวมกันไว้ที่อยู่ที่ผมอยู่สลาอันนี้ก็น่าเขินใจเขา ไอเขาไม่รู้ภาษานะมานั่งฟังอย่างที่ว่าไอพระรุ่นๆเก่ามานะ่ะมานั่งฟังผมเทศที่ตลกสามปีสี่ปีพูดไม่รู้เรื่องกัน ก, ก็ทนฟังอย่างนั้นนะี่ะทนทนจนหัวใจรู้เรื่องดูเรื่องภายในจะิตมันสงบอไอถ้าพวกเราไม่เคมีศรัทธานะพูดไม่รู้เรื่องนะอเห็นโยมเขามาที่ผมผมพูดกับผู้หลังโนะยมก็มานั่งฟัง สองนาทีแต่ห้านอนไปแล้วก็วไม่ดูเรื่องอะไรเนี่ยมันน่าเสียใจเหมือนกันอย่างนี้ผมได้ให้อุญาตสองวันนี้อืแต่นี่ต่อไปเขาอยากจะมาให้สัตย์กิจโตจะบอกเขามาวันไหนก็มาให้มานระยะสิเขาตีระครั้งเวลาเท่าไรก็บอกเขาก็มาอย่างขนาดนี้เดี๋ยว่าเราไปแล้วพระผรังร่งคีพรั่งให้อบรมในตรงนี้พอสมควรก็ได้อืผู้ใหม่ ผู้เก่าฝึกกันไปมันจะมีโอกาสดีสมัยก่อนพวกไม่ข้างธน า, าลงฉันนพกภาพหังให้ทางข้างให้พระชุมิตททใอ้ตสันทิกิตโตในป้าปลากระโดเมื่อเราออกเด็กจะให้เขารวมกันศึกษากันบางทีโนโ่ตเต้ น, นทีสองเลยเนะี่ยมันเป็นใจงน้นให้โอกาสเราเนั่ะนตนอนให้ผมเนี่ยนะอ่า อย่าเอาเยี่ยงผมนะอย่าเอาอย่างหรืออย่าเอาเยี่ยงผมจะให้เอาอย่างผมให้เอาอย่างผมอย่าเอาเยี่ยงผมเพราะอะไรทุกวันเนี้ร่างกายมันไม่ยสบายเมื่อมีโอกาสพอสมควรแล้วผมมองดูผมก็จะมาให้อย่าไปเข้าใจเอ้ยน้องพ่อท่านก็ไปมาแล้วเราก็ไปมาอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าไปคิดอย่างนั้นผมจะพยายามที่สุดปีนี้ พยายามถึงไม่ไม่ค่อยสบายเขาก็ยามมาให้ความเห็ น, นให้อาจารย์เดี่ยมอาจารย์ชูวีระพลนี่ยินมาครับหลายองค์รวมๆกันเก่าๆนให้ถือว่าแทนตัวผม น, นั่งสืบพ้นอย่างกัานผมนั่นอ่ะมันแก่ความจำไม่ค่อยจะดี ถึงแม่จะพานำทำวัดผมก็ไม่กล้าทําลยเสียงก็ไม่ดีลมก็ น, น้อยให้เข้าใจอย่างนั้นยาผมยังหวัอย่าเอาเยี่ยงผมแต่เอาอย่างอหรือให้เอาอย่างอย่าเอาเยี่ยงเนี่ยให้พิจารณาเอาอย่างนั้นเอาวันนี้ก็คงจะเข้าใจกันครบสงควรที่หากว่า มันมีเวลาน้อยไอเยนรกนลขาก็ก็เข้าใจไนียพอสมควรแต่ให้เขาใจยังไม่เข้าใจหรอกถ้าเรามีโอกาสถ้าจำต้องเอาไปพิจารณาดูเช่นพูดถึงเรื่องผมนะเรื่องผูเรื่องผู้ปฎิข้านี้นารู้ออกกัษาแล้วให้เพื่อนไปถึงไปเถอะ <S <S ผมจะผู้ป ฏ, ฏิข้ามาฮะ <S <S ดูอยู่นั้น <S <S คนเดียวเ น, นีย่ยดูเนี่ยเดินจงคกงเดินนิโกมเดี๋ยวก็ดูผู้ป ฏ, ฏิข้าโจนี่ยมันเข้าใจ เนี่ยไม่ต้องวิ่งไปอย่างอื่นเนะี่ยอย่างนี้จะต้องเข้าใจในธรรมะในพระวินัยอย่างดีทีเดียวนะแต่ว่านี่เป็นกระพร้ากันไปถึงการนั่งสมาธิก็นั่งประมาณสิบห้านาทีน น, นั่งให้เป็นตัวอย่างเป็นยาตัวอย่างทําจิตเป็นตัวอย่างตัวอย่างเช่นนี้เมื่อเราออกจากนี้ไปเราจะทําในกติเรากขนนะ่ะการเดินจังกลมนะพวกท่านทั้งหลายเนะี่ยอย่าไปทิ้งนะ ไปพักผ่อนก่นเดินจงกรมนะพอพักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วตอนกลางวันอนะ่ะกวดทางเลยดีนะเดินจงกรมนะเดินจงกรมมันมีประโยชน์นาะเดินไปเดินมาก็คิดเอาไ ง, ไงนะ่ายๆเนี่ยเดินก็ไปก็มาดีที่เียเดินไปทำไมเนะี่ยก็เชื่อมันซะแล้วอย่างนี้ดูสามปีมาอยู่กับผมเนี่ยไม่เดินจงกรมโดมีพราะไม่เห็นประโยชน์ในการเดินจงกรมเนี่ย ปีปห้าปีซึงรู้จักเดินโยมกลมมีประโยชน์หลวงพ่อแต่โคตดย่ำเลยคือเนี่ยต้องเดินดูที่เป็นในแม่มาเดินลุ้งโพผาเนี่ยไมอุตสามาเดินเดิ น, ดนอ้าวมันเกิดปัญญาจริงๆเองท่านกะเสริฐการเดินจยมกลมแล้วเนี่ยก็ไม่ทํานี่ยไปคิดเอาเองเดินกลับไปกลับมามันจะเกิดประโยชน์อะไรมันคิดง่ายๆอย่างนั่งนับตาขนาดนี้แหละผมก็เคยคิดว่าแหมเดินตามันยังไม่เห็นไกลเด็ด ให้หับอย่งจะเกิดประโยชน์อะไรี่โดยมากพวกท่านทั้งหลายมองดูดิไม่ต้องดับตานี่อยู่สลามันจะมองไปถึงหนาวัดไหมดับตากำหนดไปดิท่านเคยไปตรงไหนบ้างไปกรุงเทพมันไปที่ไหนไหมนั่งดับตากำหนดไหมไปถึงไหมมันยิ่งไปไกลกว่านั้นอนีกนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นให้เข้าใจใเถอะอย่าพึ่งเข้าใจข้ามไปอย่างนั้นดับตาไปยามทําตามกําลังของเราเกอะ ให้เรามีสติอยู่เสมอให้ได้เดินจิตกรมทุกวันให้ได้นั่งสมาธิทุกวันเออนี่อันนี้อย่าลืมให้ทำทุกวันออกจากนี่ไปก็ให้มีเทียนกดสัตว์เดินจยตกรมไม่เดินจะตกรมตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาให้ได้เดินกลางวันก็ให้ได้เดินตอนเย็นก็ให้ได้เดินเดินอย่างน้อยเอาหมันสิบห้านาทีเดินลองที่ ไปนั่งมันวุนว่นวายในสบายมาเดินจนมันเหนื่อยเดินเนี่เหนื่อยเราขึ้น ไ, ไปนั่งจิตมันจะสงบง่ายเอ่ไม่นั่งไม่สงบกต่พอมาเดินมันสิเดินเนี่มันเหนื่อยให้มันเห น, uhm, น, นื่อยแล้เราไปนั่งดูสินี่จิตมันจะสงบง่ายอย่างานี้ให้เข้าใจต้องทำํำไอความรู้ทั้งหลายเนะี่ยมันจะหายสงสัยจากการกระทำนะพวาะกานทั้งหลายเนะ่ยให้เข้าใจถึงเวลาน้อยเวนวกาศ สามเดือนอนี้ทำให้มันเตรียมที่มันจมพกทันทั้งหลายจะได้มีความรู้จะมีประโยชน์น ะ, ะวันนี้เลิกกันก่อนนะ